ทำเป็นทุกคนเพราะมันมีการเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นรู้สึกขวมือลงรู้สึกอันเลี่ยวสติรู้สึ ก, มส ก, สสกไม่ใช่สติ ก, กำหนดรู้นะถ้ากำหนดลงไปแล้วมันหนักมันติดมันยึดถ้ากำหนดรู้แล้วมันเพ่งคาว่าเพ่งมันติดมันยึดมันลงตัวเดียว เ, เบาเบาเราเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตาม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 ทำไมว่าสอนให้รู้อย่างนั้นเพราะว่าในอีริยบททุกประเภทแม้จะเป็นคนสวยรวยทรัพย์ก็มีอริยบทเหมือนกันคนยากจนก็มีอีริยบทเหมือนกันแม้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็มีอิริยบทด้วเหมือนกันเป็นผู้มีความรู้มากก็มีอริยบทอันนี้เหมือนกัน